อย่างนี้แล้วโดยเฉพาะทุกขาริยสัตว์เนี่ยนะปลาลบยังไงบ้างเวลาท่องเที่ยวไปในโลกกว้างวันละยี่สิกว่าชั่วโมงที่เหลือเนี่ยนะที่เหลือจากเรียนอริยสัตว์นี่ไปคิดถึงทุกขาริยาสัตว์เพิ่มยังไงบ้างบอกวิธีเผื่อคนอื่นเขาจะได้ไปคิดตามบ้างคือในมหากรุณาสมบัติของพระผู้มีพระเจ้านี่นะพระองค์ พราะโอ้มีแต่กรุณาอย่างเดียวไม่ไม่ไม่พูดถึงเมตตาเลยนะพูดถึงกรุณาอย่างเดียวนะโลกสันนิว่าดเดือดร้อนนี่โอ้เราไปพิจารณาดูลยครับมันเดือดร้อนวุ่นวายจริงๆมันเดือดร้อนวุ่นวายจริงๆเลยเนี่ยนั่งแรถไปซะมองดูเลยเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆนะ เ, เดือดร้อนด้วยด้วยด้วยกิเลส ข, ของเขาเองด้วยนะฮะแล้วด้วยไอ้กรรมเก่าเขาด้วยนี่นะฮะโอ้โหเขาก็เสียงว่ามองไปทีไลเขาเดินทางไปหากินทั้งนั้นเลย <laughs> เหมือนนอกเลยเช้าขึ้นก็ บ, บินเป็นฝูงพันเย็นก็ บ, บินกลับโอ้โลกนี้โลกนี่บอโลกสันนิวาสเดือดร้อนวุ่นวายสับสนนี่ที่พระองค์ตัดไว้นี่นะมันมันอย่างนั้นจริงๆเลยคนระับไม่ไม่มีผิดเลยเลยออย่างน้นโลกนะยังอัญชลาย่อมนําไปเนี่ยนะไม่มีพลาดสักคนเลยโลกอัญชลาย่อมนําไปนี่นะพิจารณาที่ไหนก็ได้เลยโลกอันไม่มีอะไรเป็นเจ้าของนี่นะอทุกอย่าง ทิ้งหมดเลยตถคุ้งรดเครื่องวัห่วงนักห่วงหนารถเก่งห่วงนักหวงหนาทิ้งเดือบหมดเลยไม่เหลือเลยทิ้งหมดเลยลโลกโลกอความทุ่งจ้าง ก, การสแสวงอาหารของสัตว์นี่ก็โอ้ยเห็นแล้วเห็นชัดเจนมากมากเลยผมเห็นคนที่หากินเนี่ยนะผมนักจะถามตัวเองอยู่เนี่ยแล้วถามไป อ, อยู่นี่เขาจะทำํำมดถึงเมื่อไหร่เนี่ย ทาอยู่เลาด้วยอยู่เลยเขจะทำถึงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วท่านเชื่อไหมว่าชีวิตในโลกนี้เนี่ยธุรกิจทุกบ่อนี่นะประเภทกระดอกกระแดกเนี่ยเยอะครับทํามาเนี่ยนะนึกว่าดีทั้งนั้นเลยนะะแต่มันก็ไม่ตายครับแต่มันก็ไม่เจริญรุ่งนะฮะแปลกจริงๆเลยครับมันทําให้กลัวเกลี่ยกลัวเกลี่ยไปอย่างเงี้ยเนี่ยแปลกจริงๆเลยกระแดกที่ว่ามันจะมัน มันดีก็ไม่เชิงมันแต่คนไข้ก็คืออตายก็ไม่พอตายนะทุกแห่งเลยนะเราดูนะจวนใหญ่ยังไง น, นนะผมว่าเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นอย่างนั้นที่ว่าหมาุ่งเรืองนะี่นะน้อยมากเลยครับน้อยมากมองไปที่ไหนคออจีห้าข้อนี้เราตึกปจะเครับได้<ล>เรื่องเลยถช่ใช้แบบผู้การมาคิดก็ดีนะโลกสันนิวาัดพุ่นวายเดือดร้อนวุ่นวา ย, าววายสับสน ใครไม่เดือดร้อนบ้างอ่ะอนนคือไม่เดือดร้อนเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ยเดือดร้อนด้วยอํานาจผลของกรรมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เดือดร้อนเพราะอํานาจกิเลสกิเลสเนี่ยมันทําให้เขาเดือดร้อนตะกุยตะเกียกตะกายไปเนี่ยนะอันนี้เดือดร้อนนะสองวุ่นวาย <c oughs> ก็โดยรวมๆแล้วนะใครนึกแล้วสงบเลยเนะนี่ยนะมานาสิการสักสิ่งหนึ่งแล้วสบายใจทันทีเลยเป็นอย่างนั้นไหม นึกอนโนก็เดือดนึกอันนี้ก็ร้อนนึกอันนั้นก็ลําบากมันสับสนไปเรียกว่าเดือดร้อนวุ่นวายคือมันฟุ้งซ่านนะนะแปลว่าโลกฟุ้งซ่านแล้วก็สับสนยังไม่รู้ว่าตัวเองทําไปทําไมเอาเอาเป็นจริงเป็นจังเอาเป็นเอาตายเด้เนยะ์แต่ถามไปทําอะไรอันนี้เรียกว่าความสับสนของโลกที่มีอยู่เพราะฉะนั้นทํากันจริงๆริเหมือนกับเตะฟุตบอลเนี่ยเอาเป็นเอาตายแย่งลูกลูกเดียวเนี่ยแหละ ร้อ ง, องให้เลยอ่ะหัวเราะร้องให้โอ้พอจบแล้วก็เหมือนฝันใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยแทบตายกันนะะเหมือนเป็นจริงเป็นจังอ่ะนะผมเป็นนักเรียนเนะี่ยไปแข่งรักบี้นะคนในร้อยใ น, นเรือมันคั่วฆ่ากันอยู่แล้วเนี่ยวันไหนแพทย์ก็มายิงข้าวไม่ลงเลยเป็นขนาดนั้นโอ้นี่เล่นนะเนี่ยนะ <laughs> เป็นจริงเป็นจังเลยเนะห โลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนเนี่ยนะไม่ก็ชัดเลยนะทุกคนเนี่ยเดินไปสู่ความชาราโลกไม่มีอะไรเรียกว่าไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนหมายคําว่าถ้าป่วยแล้วก็ไม่เป็นใหญ่จริงๆศีรษะที่มันเคยยกเหมือนเบาเนี่ยมันชักไม่เบาเลยนะแขนที่เคยยกเหมือนเบาไม่เบาตัวที่มันเคยเบาเนี้ไม่เบาแล้วอันนี้ไม่เป็นใหญ่จริงๆไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน แล้วก็คิดจะเป็นใหญ่กับคนอื่นก็ใหญ่ได้ไม่จริงอีกนี่แหละชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็โลกคิดว่าต้องต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนในที่สุดเนี่ยนะมันก็เหมือนกับอะไรนะมันเหมือนกับละครโรงใหญ่เนะ้นมันก็จบฉากก็หมดกันตายแล้วก็จบกันถ้ามีมีอุทาหรณ์ควรแก่การศึกษาก็เอามาเรียนกันหน่อย นะถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปก็ตายแล้วก็ตายเลยบางทีเนี่ยนะจำชื่อรู้จักชื่อยายหรือเปล่าก็ไม่รู้หลานๆเนี่ยจารู้จักชื่อยายหรือชื่ออะนนัน้ทวดนิดของมานี่ไม่รู้นี่ทวดนี่ชื่ออะไรไม่รู้จักทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝ่ายปู่ฝ่ายย่าฝ่ายตาฝ่ายยายเนี่ยทวดไม่รู้จักเลยว่าพ่อแม่ของปู่ชื่ออะไรไม่อยู่ในความคิดเลยนะในถ้าอีกไประยะหนึ่งเอ๊ะชื่อปู่นี่จะรู้จักหรือเปล่า ม, มันนั้นนะมัน มันก็ค่อยๆเลอะเลือนค่อยๆหายไปอย่างเนี้อีกสักพักนึ่งก็มันจำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทั้งหมดเลยแต่ว่าที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือถึงอ่ะนะโลกสันนิวาสเนี่ยนะชารานําไปไม่ยั่งยืนไม่เป็นใหญ่เฉพาะจนไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็จริงแต่ขนาดนั้นก็พร่องอยู่ตลอดเวลาเป็นโลกที่หิวอยู่ตลอดเวลาอ่ะนะ ค่อนข้างหิวนะคือคือเมื่อไหร่บ้างที่เรารู้สึกว่าอิ่มเพียงพอแล้วที่จะเห็นเนะเคยนึกบ้างเออเพียงพอแล้วที่จะเห็นเพียงพอแล้วที่จะฟังเพียงพอแล้วที่จะรู้กลิ่นหายใจเนี่ยนะเพียงพอแล้วที่จะรู้รสเพียงพอแล้วที่จะรับกระทบสัมผัสเพียงพอแล้วที่จะคิดเนี่ยนะที่จะเลิกคิดเนี่ยใครรู้รู้สึกว่าพอได้แล้วพอแล้วคนคิดพอแบบมีกรรมสกตานะย ไม่ใช่ไม่มีกรรมสักตาคิดว่าเออตาแล้วจบกันไม่ใช่นะไม่ได้หมายถึงแบบนั้นเพียงพอแล้วที่จะเลิกเห็นต่อไปในวัตฏะเนี่ยนะเพียงพอแล้วที่จะเลิกได้ยินเสียงของมหาพูดเป็นต้นเนี่ยนะเพียงพอแล้วแต่ว่าโลกไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่ามันหิวตลอดเวลาหิวทุกขวานีลยนะทวานตาก็หิวทวานหูก็หิวทวานจมูกก็หิวทวานลิ้นก็หิวทวานกายก็หิว ถึงจะหิวยังไงก็ตามมันนะก็ไม่พ้นกฎไอ้สามข้อแร ก, กนั่นแหละชารานําไปไม่ยั่งยืนไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปหมดอย่าลืมว่าสมบัติที่เราใช้อยู่ข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้ใช้กันอยู่นะีมันคือของเก่าที่ได้รับการแปรรูปใหม่ใช่ไหมเจ้าของของสิ่งนั้นนั้นก็ทยอยจากกันไปเดี๋ยวเอาไปแปรรูปใหม่แล้วก็มาหมุนเวียนเปลี่ยนกันใช้อยู่อย่างนี้แหละเพราะมหาพูดมันเป็น อพยยากะตะทำรรนะนะแต่ว่าศาต ร, ร์ทั้งหลายเนี่ยมันเรื่นเริงมันเพลิดเพลินมันหิวห้อยหวนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งถึงอย่างนั้นก็ไม่รู้ธรรมะที่ออกจากสิ่งเหล่านี้นเลยเห็น พ, พ, พระพุทธศาสนาที่มีขึ้นในโลกเนี่ยนะเพราะอะไรพระพศาสนานี้จึงมีขึ้นต้องไม่ลืมไหมทำไมหนอศาสนานี้จึงมีเพราะมีชรากับมีมรณะ เพราะว่าพระโพธิสัตว์โดยพื้นฐานท่านเห็นโทษของไอชรากับมรณะเนี่ยมากเมื่อไร่จะเลิกแก่เลิกตายสักทีหนึ่งคือท่านมีความคิดแบบเนี้นะเมื่อไหร่จะเลิกแก่เลิกตายสักทีหนึ่งเมื่อไรเนาะอ๋อใครดีคุณผู้ชูเมื่อไหรจะเลิกแก่เลิกตายสักทีเบื่อเต็มทีละต้องทําที่สุดแห่งแก่และตายให้ได้นะค่าค่าตัณหาอย่างเดียวนะสาธุ คือต้องไม่ลืมนะชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรธค า, าม่มีปฏิปทาเนี่ยนะสีคำเนี่ยนะเอามาคิดให้ดีๆเถอะจะเห็นเลยว่านี่คือศาสนาของเราอย่างชารามรณะเนี่ยทุกคนก็เป็นเป็นของสาธารณะแก่สัตว์ใช่ไหยชารากับมรณะเป็นของที่เป็นสาธารณะส่วนชารามรณะสมุทัยคือตันหานี่สัตว์ทั้งหลายก็หวยหิวใน ชราและมรณะนะีก็หอยหิวในชราและมรณะตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของสัตว์ใช่ไหมอาสังคตะธรรมคือชรามรณะนิโรธก็เป็นสภาพที่มีอยู่จริงธรรมชาตินั้นมีอยู่นะแต่ชรามรณะนิโรธาคามินีปฏิปทานนี่คือตัวพระศาสนาอยู่ที่นี่เพราะว่าชรานิโรธาชรานิโรธาคามินีปฏิปทานเนี่ยนะ เป็นตัวที่ไปทําปริญญากิจไปทําปหานะไปทํานิโรธให้แจ้งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้แสดงชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทาที่เรียกว่าประตูแห่งอมะตะดูก่อนพรมประตูแห่งอมะตะเราเปิดแกท่านแล้วก็คือเปิดอริยมรรคนั่นเองสอนอริยมรรคนั่นแหละเป็นประตูแห่งชรามรณนิโรธก็ชรามรณนิโรธอันนี้แหละเป็นกิจ ของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องจะต้องเจริญ น, นะนะ ช, ชรา ม, มรณะนิโรทขา ม, มินีปฏิปทานเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจริญกันขึ้นถามว่าเจริญสิ่งเหล่านี้เจริญทำยังไงก็คือการทำปริญญาในในชรามมรณะนั่นแหละนะเรียนรู้ชรามมรณะจนเพียงพอนะแต่คำนี้เป็นคำที่แสลงใจใครก็ไม่ค่อยอยากนึกกันนะจริงใครก็ไม่ค่อยอยากนึกนะคานี้ ก็รู้ๆกันแล้วไม่รู้จะคิดทําอะไรแก่ๆเนี่ยมันก็ธรรมดาของมัน น, นั่นแหละนะผมดูคนทั่วไปนะั้นโดยเฉพาะชาวต่างประเทศผมสังเกตดูนะเขาก็ย่องกระแยงนักท่องเที่ยวนี่เยอะเลยเดี๋ยวนี้นะไอตู้เหมือนเขายอมรับโดยที่ไม่สะดุดใจอะไรเลยนะครับไม่ทราบมันเป็นยังไงนะครับคือเขาไม่รู้เลยต้นสายปลายเหตุหรือว่าเขาไม่รู้เลยว่ามัน มันมีวิธีแก้ไขไม่รู้เอาจริงๆเลยไปยังไงมายังไงไม่ไม่สนใจเลยนะแล้วยอมรับนะะยอมรับสภาพแล้วก็โอ๊ยนี่ต้องหาอาหารมังสวิรัตมาจะได้อายุยืนยื้อนะผมคุยกับเขาหลังนะเขามาทานอาหารมังสวิรัตินะเขาคิดหูเขาก็น่าคิดเนี่ยอยู่ทําอะไรนะเอออยู่อีกนอนเนี่ยนะอยู่ทําอะไรคือสิ่งที่น่าคิดนะว่าเอ้เมื่อเราทั้งหลายเนี่ยเป็นไปกับชราและมรณะเนี่ยนะ เราเห็นทางอะไรบ้างที่จะทําให้เราพ้นจากชราและมรณะเอาอย่างที่ท่านนะถ้าเราค่อยๆไล่ทีละทวารเลยนะเนี่ยเราลืมตาดูกันเนี่ยตามันเสื่อมคุณภาพลงทุกครั้เวลาเลยใช่ไหยตามธรรมชาติของมันนะมันเสื่อมเราจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ก็ตามจากักรคู่มันเสื่อมไปโดยธรรมชาติของมันเนี่ยแล้วเราก็หิวที่จะดูนะเพื่อสร้างตาอันอื่นอีกต่อไปเนี่ยอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่มันจะเลิกไปสักทีนะเลิกมีตาอีก เราก็หิวในเสียงนะฟังเนี่ยเสียงมีหูเราก็ฟังเสียงหอ้หิวในเสียงอยู่ตลอดเวลาหูมันก็เสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยที่สุดมันอยู่ที่ไหนเนี่ยีย่อยค่อยไล่อย่างเนี้ทุกทวารนะแต่ถ้าเห็นได้ยินรู้กลิ่นเป็นต้นแล้วเห็นสิกขาสามได้นะั่นแหละเห็นเห็นาศาสนาเราเลยว่ า, าศาสนาของเราเป็นเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าหากว่าลืมอก็เรียกว่ามณสิการทวารหกแล้วเห็นสิกขาได้ นั่นคือเห็นพระศาสนานี้เพราะว่าศีลสิกขาคือข้อปฏิบัติเพื่อกาจัดโทสะเี ย, เ, ยเพื่อกาจัดโทสะจิตสิกขาหรือสมาธิเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกาจัดโลภะปัญญาทั้งหลายเพื่อกาจัดโมหะก็ต้องหมั่นถึงระลึกถึงอย่างนี้นยอย่างผู้ที่เป็นไปกับชราและมรณะเนี่ยก็เป็นอยู่อย่างนี้ โลกนี้ถึงพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกก็าตามไม่เกิดขึ้นในโลกก็าตามเมื่อสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วจําต้องแก่และและตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติของโลกนี้จริงๆแต่เมื่อมีพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ประกาศธรรมใช่ไหมเพื่อประกาศธรรมประกาศธรรมนั้นถามว่าเราได้มรดกอะไรที่เป็นธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างถ้าเรียกยอ่อยๆก็คือสิกขาสามนี่แหละ ในทวารทั้งหถ้าเราได้สิกขาสามในทวารหได้ก็เรียกว่าได้มรดกของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็สาธยายสิกขาสามในทวารหกให้ได้ก็แล้วกันก็จะได้มรดกจากพระพุทธเจ้าหรือถ้าไม่สาธยายไม่ได้ตรึกก็ไม่ได้ได้ฟังก็ยังดีถ้าได้ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ก็อันนี้ก็โตภัยก็โตภัยแล้วกันนี้ถ้าไม่เกี่ยวไม่อยู่ ที่เม mm ือ hmm. งราชเครึกเนี่ยนะมีชายคนยากที่สุดในเมืองราชครึกก็คือสุปาพุทะใช่ไหมสุปาพุทธกุฏิเนี่ยนะโรคเรือนเนี่ยเรียกว่าสุดยอดของผู้ที่ยากจนเนี่ยไม่มีใครจนกว่านี้อีกแล้ที่มันจนกว่านั้นก็คือแม้กระทั่งว่ามันแผลเต็มตัวไปหมดที่อยู่ก็ไม่มีอาหารก็ไม่พอจะเต็มท้องเลยนะถึงว่าวันหนึ่งก็มันก็มันก็จะไปอิ่มสักเท่าไหร่เชียวใช่ไหมอาหารหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยนะมันจะไปเท่าไหร่เชีแต่ว่าไม่มีปัญญาหาอาหารอิ่มท้องอ่ะ ออยากห้อยหิวอยู่ตลอดเวลาโรคเรื้อนแผลเต็มตัวไปหมดเป็นโรคเรื้อนกลุ่มที่เจ็บปวดนะไม่ใช่ไม่เจ็บเรียกว่ามันมันกลางคืนเนี่ยแกครวญครางตลอดเวลาเขาเลยเรียกว่าสุ ป, ปะพุทธเนี่ยไอพุทธตัวนั้นแปลว่าตื่นเพราะงั้นแกรอนนอนอยู่ละแวกไหนตื่นทั้งตรอกทั้งซอกทั้งซอยหมดแกร้องครวนคลางอยู่ทั้งคืนยากจนที่สุดเนี่ยนะเห็นเห็นมองเห็นอะไรปั๊บนึกถึงแต่อาหารอย่างเดียวที่ไหนมันมีอาหารบัางให้เห็นคนเยอะๆเออ ได้อาหารน่แต่ว่าอีกไม่นานเราก็จะเห็นภาพอันนั้นแล้วเนาะไปปลงสังเวชจะได้สังเวชกับวัตถุอีกรอบนะมันมันเป็นอย่างนั้นจริงนะนึกออกที่วัดนาลันทานะพอพอมีนักท่องเที่ยวไปใช่ไหมมันมาเยี่ยวเยี่เยี่อยู่ข้างกําแพงอ่ะนะเราก็หันไปดูนะเด็กเนี่ยเหมือนโอ้โหโอเต็มไปหมดเลยมันร้องขอทานเป็นภาษาแขกไงนะถึงจะใช้ภาษาไหนอันนี้มันโดยปรามัดมันรู้กันะรู้วัตถุประสงค์ มอดอยากหวหิวอย่างนั้นจริงๆแต่แล้วตอนหลังแกได้ฟังธรรมพอฟังธรรมเนี่ยบรรลุโสดาบันในขณะที่ฟังธรรมสุปาุูทากุตินี่เป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็ขิปนาผิญญาแห่งโสดาปฏิมาเลยนะฟังธรรมแล้วบรรลุเลยอ่ะซึ่งคนดีๆทั้งหลายนี่ยังไม่ทันได้บรรลุเลยนะสุปาผูทากุติคนโรคเรือนนี่บรรลุไปแล้วเฮ้ยตอนหลังเนี่ยแกบรรลุ ค, คือเป็นพระโสดาบันนะนีย ไอความเป็นพระโสดาบันของท่านเนี่ยท่านเกียกว่านิยโตแปลว่าอย่างถึงอริยมรรคแล้วสัมโพธิปรายโนไม่นานข้างหน้าสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคจะเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะไม่นานท่านจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรพระผู้มีพระภาคบอกว่าเพราะเขาสมาทานศรัทธาสัมปทา สมทานศรัทธาสมทานศีลสมทานสุตะสมท า, า, า, า, า, านจาระสมท า, านปัญญาสมท า, านเอาขึ้นไนมะไม่ใช่ว่าให้มันเกิดเองอย่างโลกที่เราชีวิตที่เราเป็นไปทุกคนเนี่ยคือชาราและมรณะใช่ไหมที่เป็นไปเนี่ยก็คือแก่เนี่ยมันก็แก่ทุกๆเวลาทุกๆนาทีใช่ไหมเหลือแต่ตายก็คือเดินไปหาชารากับมรณะเราได้สมท า, านกุศลกุศลธรรมอะไรขึ้นมาบ้าง แต่ที่น่าคิดคือสมาทานศรัท ธ, ธาเราลองมาปรารพดูว่าเมื่อเรานึกถึงความแก่ขึ้นมาเนี่ยนะชรามรณนะแก่กับตายเรามองเห็นศรัท ธ, ธาสัมปทาที่มีอยู่ในตนไหมเราสมาทานประพฤติศรัท ธ, ธ, ธาอะไรบ้า ง, างเช่นว่าศรัท ธ, ธาในพระรัตนตรยัยศรัท ธ, ธาแบ่งออกเป็นสองนะศรัท ธ, ธาที่เป็นบุพภาคกับที่เป็นโลกุตระศรัท ธ, ธาที่เป็นบุพภาพก็คือ ศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัท ธ, ธาในพระสงฆ์ทีนี้ศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าเอาลืมตาเนี่ยใครเห็นพระพุทธเจ้ามั้งหรือต้องไปเห็นพระพุทธรูปจึงจะเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอย่างไรจึงจะเชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ปฏิเสธใช่ไหมว่าประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายอันเปื่อยเน่านี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าถ้าเราศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าเรามองเห็น เอาไงก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อภินญยยธรรมตรัสรู้ปริญญายธรรมตรัสรู้ปหาตปะธรมรมตรัสรู้สัจจิกาตประธรรมตรัสรู้ภาเวตปะธรรมเนี่ยเราเห็นเนี่ยมองเห็นธรรมะเหล่านี้ไหมหรืออีกไในหนึ่งนะพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรู้อริยสัจนะเราพอประพิมประพายแล้วลึกถึงอริยสัจอะไรได้บ้างนิทุกเอานะเอาไงนะ อ, นะ อ, นอนีทีนทุกเอานะ คุณชูศรีมองเห็นไนมวันนี้วันอุโบสถด้วยหลอกไม่ได้ห้าม <c oughs> มุสา <c oughs> เอาเถอบอกว่าพูดนี้ทุกอย่างเนาะเอาเห็นคนข้างหน้าก็ได้เอานี้ทุก <c oughs> คือพอให้เห็นว่าเออนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แม่ครูไม่มาเลยวันนี้เดีย๋ยวบอกว่านี้ทุกสนอทนะใช่เลยแหละเธอต้องต้องต้องพยายามน้อมไปเพื่อจะนึกไนหะ ค, คือพวกนี้มันไม่ใช่ว่าตัวนั้นมันมันมันมาแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบอกเราไม่ใช่แต่ปัญญาของเราเนี่ยเข้าไปใครครวนไปพิจารณาว่าโอ้นี่ทุกนะปีละะเบียดเบียนจริงๆนะนี่คือสภาพที่ไม่เที่ยงนี่คือสภาพที่แปรไปนี่คือสภาพที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นเลย น, นะอันนี้คือวันนี้ทุกนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดสรูใช่ไหม ว่าเต็มๆก็คือนี้ะนะชีพุการเลยก็ได้นี้ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะทั้งหมดนี่คือตัวทุกกองทุกแหละนะโรคโตก็ไม่ผิดใช่ไหมคันตาโตไม่ผิด น, นนะมรณะธรรมโตอันนี้ก็ไม่ผิดเนะก็มณสิการแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้อีทางทุกขังอริยสัจจังอะนเะนี่